ทุกศาสนาย่อมมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่าศาสนาพิธีอันพุทธศาสนาก็เช่นกันนะก็มีพิธีกรรมต่างๆมากมายและจะว่าไปเนี่ยคนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้มาเริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ผ่านพิธีกรรมหรือจากการได้สัมผัสพิธีกรรมวันนี้พิธีกรรมเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายนะ จุดมุ่งหมายที่ว่านี่คือจุดมุ่งหมายในทางธรรมหรือว่าน้อมนำจิตใจของผู้คนให้เข้าสู่ธรรมนะจะได้เป็นเป็นตัวช่วยก็ได้หรือเป็นสะพานที่พาคนเข้าสู่ธรรมะหรือว่าแก่นธรรมแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มักจะหลงลืมจุดมุ่งหมายดังกล่าวนะ ไปสนใจไปหมกมุ่นไปให้น้ำหนักกับรูปแบบหรือตัวพิธีกรรมมากกว่าจนลืมแก่นธรรมหรือสาระในทางธรรมนยอย่างเช่นเวลาเราจะสมาทานศีลเนี่ยปกติก็จะมีพระให้ศีลตนบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่มีพระมาให้ศีล เราก็จะสมาทานศีลไม่ได้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการที่พระมาให้ศีลเนี่ยนะก็เพื่อน้อมใจเราให้เกิดความตั้งมั่นในการสมาทานศีลหรือการกรักษาศีลพิธีกรรมในส่วนนี้เนี่ยมันก็ล่นแต่เป็นไปเพื่อทําให้ใจเราพร้อม เช่นอาจจะมีการรับไตสรณาคมก่อนแล้วจากนั้นก็โยมก็อาราธนาศีลพระก็ให้ศีลแล้วโยมก็สมาทานศีลพวกนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนหรือพิธีกรรมแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดความพร้อมในทางจิตใจและเกิดความตั้งมั่นในการสมาทานศีลเพราะว่าบางที มันมีอะไรที่ดึงจิตใจรบกวนสมาธิทำให้ฟุ้งซ่านนะจิตใจไม่สงบพอในการที่จะสมาทานศีลเพื่อกำชับจิตใจให้ตัวให้มีความตั้งมัน่นก็เลยมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ที่เราพิธีกรรมแต่หลายคนเนี่ยไปให้น้ำหนักกับพิธีกรรมจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีพิธีกรรม ไม่มีการให้ศีลก็สมาทานศีลไม่ได้หมายความว่าจะสมาทานศีลที่วัดได้อย่างเดียวเท่านั้นจะมาซัมาทานศีลที่บ้านไม่ได้เพราะไม่มีพระมาให้ศีลอันนี้นไม่ใช่นะแล้วพอไปคิดว่าต้องมีพระให้ศีลเนี่ยมันก็เลยบางทีก็หลงไปถึงหลายะเอียดส่วนอื่นด้วยเในวัดต้อมีการจุดทูบเทียนไหมจะจุดทูบเทียนหรือ จ, จุดทเทียนทูบนะ บานทีก็เทียงกันนะจุดทูบ ก, ก่อนแล้วค่อยเทียนหรือจุดเทียนก่อนแล้วค่อยทูบจุดจากซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายก็เถียงกันตรงนี้แหละหรือบางทีก็ไปจุดจ่อตรงนี้แหละไปให้น้ำหนักกับตรงนี้และบางทีพอเข้าใจว่าทำไม่ถูกจิตใจก็เศร้าหมองแทนที่จะสมาทานศีลด้วยจิตใจที่ผ่องใสก็กลายเป็นสมาทานศีลด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเพราะ ทำไม่ถูกพิธีหรือกรรมวิธีอันนี้เรียกว่าไปให้น้ำหนักกับพิธีกรรมจนลืมแก่นธรรมหรือสารธรรมในทธองเดียวกันนะเวลาทำบุญและตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้ให้กับผู้ที่ลงลับเช่นถวายสังกะทาหรือใส่บาตรแล้วอยากจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับ ตามธรรมเนียมนะมันก็มีพิธีกรรมก็คือพระสวดนะเรียกว่าให้พรปกติก็พระจะสวดยถาวริวารหาจนมงคนเข้าใจว่าเนี่ยบุญกุศลเนี่ยจะถึงผู้ร่วงรับได้หรือไม่หรือมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ว่าพระเนี่ยสวดหรือเปล่าถ้าพระไม่สวดยะถาบริวหา หรือไปสวดบทอื่นนะก็จิตใจก็ไม่สบายไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าบุญที่ที่ให้กับผู้ที่รวงละมันจะน้อยหรือไม่ได้เลยก็ไปให้น้ำหนักกับการสวดของพระแล้วก็ต้องกำหนดด้วยนะต้องสวดบทนี้นะยะถาวริวาหานะถ้าเกิดพระสวดว่าอภิวาทนสีนี่ โกรดน้ำไม่ได้แล้วฉะนั้นที่อภิวาทนาศีมันก็เป็นยะถาบริวหาแบบย่อนะแต่พอพระสวดอภิวาทนาศีอโยงก็ไม่สบายใจว่าเรื่องนี้บุญที่เราทำนี่จะอุทิศไปถึงผู้ที่ร่วงรับได้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยนะจะไปถึงผู้ร่วงรับมากหรือน้อยอยู่ที่ใจของเราว่าตอนนั้นมี จิตสงบเป็นสมาธิหรือฟุ้งซ่านเพราะถ้าจิตสงบเป็นสมาธิกำลังของจิตก็แรงนะน้อมนึกถึงผู้ตายบุญกุศลที่ทำไหว้มันก็ส่งไปถึงนะอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่เต็มเมดเต็มหน่วยอย่างนี้พอไปสนใจเรื่องพิธีกรรมเนี่ยก็ลืมสิ่งที่เป็นแก่นธรรมแบก็คือการน้อมใจให้สงบน้อมใจแล้วถึงผู้ตาย แล้วพอไปติดเรื่องพิธีกรรมก็จะมีคําถามว่าต้องมีน้ำไหมกรวดแห้งได้ไหมต้องกรวดทันทีที่ทาบุญถวายสังกทานหรือเปล่าแล้วก็เถียงกันนะนะเพราะก็มีเจ้าสำนักหลายหลายสำนักนะไอ้ผู้นี้มันพิธีกรรมทั้งนั้นสิ่งที่เป็นแก่นธรรมก็คือว่าตอนนั้นใจสงบไหมใจ น้อมนึกถึงผู้ที่ล่งลับด้วยความปราถนาดีหรือเปล่านี่แหละนาคือส่วนที่เป็นแก่นธรรมนะหรือสารธรรมของอพิธีกรรมนะกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่งลับเราจะพบ ว, ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพิธีกรรมหลายอย่างเนี่ยคนไปติดอยู่ที่รูปแบบมากแล้วก็ต้องทำให้ถูกและวิธี ที่จะทำให้ถูกมันก็มีหลายแบบหลายแนวนะสุดแท้แต่ว่าอยู่ในท้องที่ไหนแต่ก็ลืมไปนะสิ่งที่สำคัญคือตัวแก่นธรรมอย่างเช่นงานศพเนี่ยงานศพพิธีกรรมนี้เยอะแยะเลยแต่จุดมุ่งหมายที่เป็นแก่นธรรมของงานศพคืออะไรก็คือหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมได้รับการปลอบประโลมใจ สูญเสียคนรักแล้วมีผู้คนมาช่วยให้กำลังใจสองผที่บุญกุศลกับผู้ที่ลงลักซึ่งตอนนี้ไปอยู่ประรลโลกแล้วสามให้คนเนี่ยได้มาระลึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตก็คือว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงนะแต่ทีนี้คนมางานสมเนี่ยนะเข้าใจสัจธรรมหรือเข้าถึงสัจธรรมที่ว่าหรือเปล่านะแต่ที่จะมา น้อมใจให้เราเลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและจะได้เกิดความไม่ประมาทกลับไปติดอยู่เรื่องพิธีกรรมนะทำยังไงถึงจะทำให้ถูกเดีย๋ยวนี้ก็เถียงกนว่านเนี่ยตายแล้วนี่จะสวดกี่วันสามวันห้าวันเจ็ดวันสวดสี่วันไม่ได้นะสวดสี่วันนี่ไม่ได้นะเดินแต่ว่าต้องสวดสองรอบเนี่ย คนที่สวดสี่วันนี่จะไม่สบายใจต้องสวดสองรอบไอ้นั่นพิธีกรรมสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเนี่ยคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขามาด้วยความรู้สึกอยากจะเรียนรู้สจะทำความจริงของชีวิตหรือเปล่าหรือว่าช่วยกันทำบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีพิธีกรรมต่างๆงอกเงยขึ้นมา อย่างเช่นการถวายผ้าบางสกุลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถวายผ้าบางสกุลแค่ไตสองไตนะบางทีสิบไตลและยังมีผ้าอาบน้ำอีกนะหกสิบแปดสิบพื้นนะบางสกุลเดี๋ยวนี้นะโดยเฉาะของในงานสอบราชการนี่ มันเสียเวลามากและสิ้นเปลืองมากกับการทอดผ้าบรรพบุรกสิบแปดหรือ1 0อยผืนที่จริงการทอดผ้าบงศพบุรเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระได้มาพิจารณาศพจึงสวดว่าเนี่ยอันธิจ a w a t ส s งขาราและการทอดผ้าบรรพกุรุและการที่พ้าไปชักผ้านี่ก็ไปชักหน้าศพนะเพื่อให้เราลึกถึงความมิตรของชีวิตแต่นี้การทอดผ้าบพเนี่ย มันเป็นไปเพื่อหน้าตาของคนจัดนะหรือไม่ก็เพื่อเอาใจญาติโยมที่มาเพราะว่าบางทีมีแขกผู้ใหญ่เยอะจะให้คนนี้ถวายผ้าแต่ที่เหลือไม่ได้ถวายผ้าก็กลัวว่าเขาจะไม่พอใจอยากจะให้เกียรติหรืออยากจะให้เขาได้มีหน้ามีตาก็เชิญมาทอดผ้ากันทุกคนเลยและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สิบนะเป็นร้อยเลยนะทุกคนที่มางานศพนี่ก็ อยากจะให้มีส่วนร่วมให้เขาได้น้าได้ตาก็มาเชิญมาทอดในะพาร์ติท้อนี้ก็เจ้าภาพจัดเจ้าตัวคนที่ทอดไม่ได้ทําเองอันนี้มันเรียกว่าเฟอร์เลยนะแล้วก็การที่ได้พิจารณาสัจธรรมแทนที่จะหมกบุญกับพิจิกรรมเนี่ยมันก็เลยขาดหายไปเฉะนั้นเวลาเรานะมาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและต้องเกี่ยวข้องพิธิกกรรมเนี่ย ต้องเข้าใจชัดนะว่าพิธีกรรมเป็นตัวช่วยนะมันเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อ น, น้อมคนเข้าสู่ธรรมะสารธรรมหรือการธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปติดอยู่กับพิธีกรรมจนลืมการธรรมหรือสารธรรมไปไม่งั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไร้ประโยชน์นะแล้วก็กลายเป็นความงมงายนะมากมาย